ประโยชน์ของข้าวต้มมีสิบอย่างพระผู้มีพระภาคตรัสกับพรามผู้นั่งณนะที่สมกวนว่าพรามข้าวต้มมีอานิสงสิบประการคือผู้ถวายข้าวต้มชื่อว่าหนึ่งให้อายุสองให้วันนะ 3. ให้สุขะส ให้พละห้าให้ปฏิพานหกบรรเทาความหิวเจ็ดระงับความกระหายแปดให้ลมเดินคล่องเก้าชำระลำไส้สิบเผาอาหารที่ยังไม่ย่อยให้ย่อยพรามข้าวต้มมีอานิสงสิประการนี้แร ครั้นตรัสวัยากรณภาสิทินี้แล้วพระสุคตตรัสอนุโมทนาต่อไปว่าทายกผู้ตั้งใจถวายข้าวต้มแกปฏิคาหกผู้สำรวมแล้วผู้ฉันอาหารที่ผู้อื่นถวายตามการสมควรเขาได้ชื่อว่าตามเพิ่มให้ประโยชน์สิบประการแกปฏิคาหก คืออายุวันนะสุขะพละปฏิพานนอกจากนั้นข้าวต้มย่อมบรรเทาความหิวความกระหายให้ลมเดินคล่องชำระลำไส้และช่วยย่อยอาหารพระสุคตตรัสว่าข้าวต้มเป็นยาดังนั้นผู้ต้องการความสุข อันเป็นของมนุษย์ตลอดกาลนานและปราถนาความสุขอันเป็นทิพย์หรือปราถนาความงามอันเป็นของมนุษย์จึงควรถวายเข้าต้มเมื่อทรงอนุโมทนาแก่พรามด้วยพระคาถาเหล่านี้แล้วจึงเสด็จลุกจากที่ประทับกลับต่อมาพระผู้มีพระภาค